เนาแผ่นที่81ดําดลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่30สิงหาคมง2558ปมีชื่อเรื่องว่าทําแตกต่างแต่ให้คิดเหมือนกัน วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามสิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดลูกหลานคงอยากจะทราบเหมือนกันว่า เ, เราพวกเราเข้าพรรษามาก็หนึ่งเดือนเมื่อวาน เ, นเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งพอดี วันนี้ก็เป็นเข้าเดือนที่สองแล้วพวกเราคณะทธาญาติโยมก็คงอยากจะทราบว่าเอกทินวัดนาคำน้อยของพวกเราเนี่ยจะเป็นวันไหนมีหรือเปล่าปีนี้นะหลวงพ่อขอประกาศให้คณะทธาญาติโยมได้รับทราบว่ากถินของเราปีนี้เป็นวันที่8ปพุจจิกายน พุทธศักราช 2,558 แต่ว่าเป็นกระถินอย่างไรหลวงพ่อจะเรียนให้พี่น้องศรัท ธ, ธาญาติโยมได้ทราบต่ออีกที่หลังในรายละเอียดแต่นี้เพียงแตประกาศให้ทราบว่ากระถินของวัดเรานะั้นเป็นกระถินสามัคคีส่วนหนึ่งแต่คงจะเป็นกระถินพิเศษขึ้นมาบ้างใน ในปีนี้นะแต่ส่วนรายละเอียดนั้นหลวงพ่อจะเรียนให้ทราบต่อภายหลัง <c oughs> อันนี้ก็คือกระถิ่นที่วัดของพวกเราไม่ได้ต่อเหมือนปีที่แล้วปี ก, ก่อนๆปี ก, ก่อนๆก็คือกรถินเมื่อออกพรรษาแล้วอาทิตย์แรก เป็นวันเสาร์คือวัดป่าบ้านตาดแล้วก็อาทิตย์ที่สองก็เป็นวัดของเราเราทำมาติดต่อกันหลายๆปีแต่ว่าปีนี้เราเว้นวักเพราะว่าเป็นกระถิ่นที่ท่านแสดงความจำนงมาหลวงพ่อก็ตามความประสงค์ของผู้ที่ผู้ที่ท่านแสดงความจำนงที่จะทอดคงจะเป็นกลาง อาทิตย์ของกลางเดือนเพราะว่ากรถินนี่ก็เดือนสุดท้ายของอของเดือนเดือนหนึ่งนับจากตะวันออกปันสามาแล้วก็เดือนหนึ่งนะ เ, เดือนสิบสองแผ่นก็เป็นวันสิ้นสุดของเขตกระถินไป <c oughs> นกรถินของวัดเราก็คงจะเป็นกลางเดือนอในเดือนสุดท้ายนั้น อั น, นก็ขอแจ้งข่าวและบอกประกาศให้คณะทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบร่วมกันแต่ถึงยังไงกรถินที่วัดของเราก็เป็นมาทุกปีก็มันเป็นมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปเราก็ไม่ได้ใส่ใจหนักใจอะไรที่ผ่า น, านมาก็อ ย, า ย, ายา่างคณะทศาญาจโยมลูกหลานได้เห็นได้รับรู้รับทราบนะ เพราะว่าวัดของเราก็เป็นพระกรรมฐานวัดกรรมฐานมีการก่อสร้างไหอก็มีอยู่ไม่ปฏิเสธแต่เราก็ไม่ได้เน้นในเรื่องการก่อสร้างเราจะเน้นหนักเรื่องเรื่องบําเพ็ญจิตตภาวนาซะมากกว่าจะตปัจจัยที่ได้มากเอเอาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงเรียนโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนะแล้วก็วันนี้เป็นวันขึ้นเดือนที่สองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้คณะทศไทาญาติโยมลูกหลานทุกคนทบทวนความตั้งใจของเราเรือสัจจะอธิษฐานของพวกเราล้มเหลวหรือเปล่าหรื อ, อยังเข้มแข็งอยู่เพราะว่าพวกเรา ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าอในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันอไม่ให้ขาดะมันขาดไหมถ้ามันขาดแล้วเอแล้วก็อย่าให้มันขาดนะเบิ้ลสองอีกมันทําไมมันยังขาดได้กาวไหว้เหมืองพระเหมือนกับพระอะไรเมืองที่เบตเขาไหว้พระไหว้ทั้งวันะเออทําไมมันยังขาดวะเนี่ย เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าให้ขาดตกบกพร่องถ้ามันขาดตรงไหนพยายามปะชุนให้มันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆุกท่านนะบำเพ็ญคุณงามความดีอย่าให้ขาดตกบกพร่องในพรรษานี้เพราะว่าสามเดือนเราทําความดีไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงสามดีเราต้องตั้งใจเป็นพิเศษ การสั่งสมบุญเพราะว่างานในพรรษาเนี่ยรู้สึกว่าจะน้อยนะไม่ว่างานทางครวาตญาตโยมการทำทำมาหาเลี้ยงชีพก็น้อยลงเนี่ยบางบางอาชีพนะแต่บางบางอาชีพอาจจะหนักก็ได้นะแต่โดยมากมันเบาในในพรรษาเพราะนั้นในพรรษานี่ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้สั่งสมบุญกุศล เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของตนเองแต่ข่าออกพรรษาไปแล้วก็เอาทํางานทําการเร่ง เ, เข้าไปหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าขี้เกียจขี้คลานไม่มีไม่ไม่หลวงพ่อไม่เคยสอนอย่างนั้นนะจะสอนพระสอนเนนก็เหมือนกันที่อยู่กับหลวงพ่อต้องมันขยันอดทนถ้าเป็นครวญญาจงก็เหมือนกันหลวงพ่อสอน ให้รู้จักหน้าที่การงานไม่ใช่ว่าเราจะเอาหน้าที่ของพระไปข่มฆราวาสก็ไม่ได้แต่ตามไม่จริงก็มีแต่ชี้นำชี้แนะถ้าว่าพวกเราที่จะออกมาได้ก็ดีแต่ถ้าเรายังอ ย, างอยู่จุดนั้นอยู่อยู่เป็นฆราวาสญาติโยมอยู่เราก็ต้องใช้แบบชีวิตของคราวาสชีวิตของฆราวาสเอง ก็มีพราะพรุทธเจ้าท่านสอนไว้ทุกระดับนะเป็นเมื่อเป็นฆราวาสเราควรจะวางตัวอย่างไรในเมื่อเราเข้ามาเป็นบวชเป็นพระเราควรทําตนอย่างไรไม่ใช่ว่าเราเข้ามาเป็นพระเนี่ยทำตนทำตนเหมือนฆราวาสอันนั้นไม่ถูกต้องแตาว่าเราเป็นฆราวาสทาตนวางตัวเหมือนเคยขี้เกียจหรือว่าทำตนเหมือนกับเป็นพระมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะ แต่ว่าชีวิตของพระน่ยอีกอย่างหนึ่เ ง, เนงเราจะไปทำแบบฆราวาสก็ไม่ได้ผิดวินัยแต่ว่าฆราวาสมาทำตนอย่างพระเนี่ยได้เป็นบางอย่างไม่ใช่ได้ทุกอย่างเพราะนั้นการวางตัวระหว่าการปฏิบัติตนในเมื่อเราเป็นฆราวาสเราทำยังไงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอุทนาสัมปทาน เราเมื่อเป็นครวัตเราต้องมีความขยันมันขยันในการหาทรัพย์อย่างไงที่จะเป็นบ่อกเกิดแห่งทรัพย์จเจริญรุ่งเรืองของพ่อกทรัพย์เราต้องขยันให้มีความอุต ธ, ธนะคือความขยันอุตธนาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมันความขยันในการสแสวงหาทรัพย์อารักขาสัมปทานะ เมื่อส่อแสวงหาทรัพย์มาแล้วให้รักษาให้รักษาทรัพย์ของตนเองไว้คําว่าทรัพย์คํานี้คล้ายๆก่อน อ, อ, อ, อ, อ, อย่างที่เราเรียนหนังสือได้เป็นแพทย์เป็นหมอได้นำทำหน้าที่การงานาข้าราชการทุกระดับหรือว่าเป็นหัวหน้าบริษัททางร้านต่างๆในเมื่อเราได้เรียนได้ศึกษามาแล้วเราได้ทํางานอันนี้เราก็ต้องรักษา รักษาหน้าที่การงานรักษาในการเป็นอยู่ของเราอย่าให้เขาได้ตําหนิเราไล่ออกจากการจับงานเอ อ, อันนี้ก็ให้เรารักษ า, าไว้อันไหนมันจะเป็นธรรมอันไหนมันจะถูกต้องให้รักษารักษาสัมปท า, านกัลยาณมิตรให้เราดูเนี่ยเพราะว่าการทําการทํางานขึ้นมามันก็ต้องมีมิตรมีสหายเ อ, อเราต้องเลือก เลือกเพื่อนที่ดีถ้าว่าเพื่อนไม่ดีเราจะไม่ครบเลยอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็ครบเพื่อนมีหลายระดับระดับไหนขี่วงไว้วางใจเราเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังงั้นเพื่อนเป็นยังไ ง, เ, เ, ง, ไงเราเป็นยังงั้นอันนั้นก็ต้องมีไปลว่าเพื่อนที่สนิทไว้เนื้อเชื่อใจอันนั้นต้องมีอีกถ้าว่าลองลงมาอีก ข้าพเจ้าไว้ใจในการเจราจาไว้ใจมันได้แต่อย่างอื่นทรัพย์สมบัติไม่ได้เอาอันนี้มอบให้ไปเสียหายอันนี้เราก็ควรไม่ควรจะมอบให้ใครคขาบ่ามอบให้เป็นบางอย่างให้เป็นบางอย่างมอบให้มอบความไว้วางใจเป็นบางอย่างบางอย่างก็เรามอบให้ไม่ได้อันนี้เราก็ต้องเลือกกัลยาณมิตรของเรา ไม่ใช่ว่าเป็ น, นมิตรเป็นมิตรเป็นสหายแล้วก็มอบให้ทุกอย่างไม่ใช่เพอเผลอตัวเองปนปี่เสียหายอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้เรียกว่ามิตรสหายถ้าว่าป้าประมิตรมิตรชั่วอันนั้นเราก็ต้องดูอีกเหมือนกันเหมือนกันพออยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันเออมิตรคนนี้เป็นยังไงมันขายยาบ้ายามา้ามันชอบเปลี่ยนการพ น, นัน แลมันออกไปในนอกลู่นอกทางในเพื่อนคนนี้นะเราก็ต้องระมัดระวังในการไปการเที่ยวกับมันอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะอันตรายบางทีมันขายยาบ้าเราก็ไปเป็นเพื่อนมันมันเอาเราไปไปเป็นเพื่อนที่ไหนได้พอตำรวจจับได้ขึ้นมาตายแล้วเราไม่รู้เรื่องของมันเลยแต่มันอยู่มันนั่งรถกับมันไปเราก็เลยพลอย ติดคุกติดตรางไปด้วยเศร้าหมองไปด้วยเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียเสียงไปด้วยนี่แหละเพราะอะไรเพราะ เ, า เ, ร, าะ เ, าเราครบเพื่อนเราไม่เลือกคบเราไม่ระมัดระวังในการครบเพื่อนนะสิ่งเหล่านี้พระพุทธศาสนาท่านสอนไปหมดแล้วว่ า, าปาประมิตรกัญยาณมิตรนะแต่ว่าข้อที่สี่นะสัมมาชีวิตา เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงอย่าไปคดไปโกงอย่าไปป้น อ, อ, อย่าไปหลอกลวงเขามาเลี้ยงชีวิตของเราอันนี้ก็คือสาหรับ ร, รมสอนคารวาคารวะญาตโยมผู้ที่เป็นคารวาดต้องปฏิบัติตนอุดฐานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรักขาสัมปทาให้รักษาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติที่ ตัวเองแสวงหาด้วยความยากลําบากกระยาณาเมตตาคบเพื่อนที่ดีงามสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบจะไปคดไปโกงไปป้นไปเบียดบงังทรัพย์สมบัติของเขามาเลี้ยงชีวิตเรานี่แหละอันนี้คื อ, อทิฏฐิธรรมทิฏฐธรรมิการประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันอันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนสําหรับฆราวาสญาจโจรแต่ท่านสอนพระนี อภิชาตาเป็นผู้มักน้อยบำบวชเข้ามาแล้วจะเป็นผู้มากมากไปได้นะอภิชาตาเป็นผู้มักน้อยสันตุถีเป็นผู้สันโดษตามมีตามเกิดได้มาอย่างไรใช้อย่างนั้นฉันอย่างนั้นไม่ให้ใครหนักใจกับเราเรื่องของเรานี่แหละชีวิตของพระกับชีวิตของคราวาสพระพุทธเจ้าสอนสอนคนละอย่างกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพราะนั้น เ, เราต้องรู้จัก วางวางตัวในเมื่อเราเป็นคราวาัตเราควรทำตนยังไงอันนี้ก็คือการเป็นอยูออ่การเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคราวาัตญาโจมชีวิตประจำวันของพระแต่ส่วนทางด้านจิตใจนั้นให้คิดเหมือนกันให้คิดเหมือนกันทางด้านจิตใจให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะ อันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนให้เสมอภาคกันทั้งฆราวาสญาติโยมทั้งฝ่ายพระสงฆ์พุทธบริษัทสี 4, เ่เรื่องแนวเรื่องแนวความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้คิดแนวเดียวกันพยายามทําจิตใจให้สงบให้บริกรรมให้มีสมระทาําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญา ในเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตออกจากใจของตนเองอันนี้ก็คือเรื่องของอเรื่องของอพุทธบริษัทจีควรปฏิบัติตนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอันนั้นคือชีวิตการวางตัวนั่นอีกส่วนหนึ่งการชีวิตวางตัวนั่นคือปัจจัยสี่ ปัจจัยสี่เครื่องอาศัยเครื่องอาศัยของพวกเราแต่ส่วนด้านจิตใจนั่คือแนวความคิดพระพุทธเจ้าสอนให้แนวความคิดีสอนอีกแนวหนึ่งอสอนให้ให้ทำให้สู้ก็จริงอยู่แต่ผลที่สุดสอนให้สอนให้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น เ, เพราะถึงยังไงยังไงเกิดมากี่พบกี่ชาติ พวกเราก็เป็นอย่างนี้แหละเกิดมาแล้วก็เป็นหญิงเป็นชายาต่อมาก็ทํามาค้าขายเลี้ยงชีวิตพออายุครบแล้วก็ล่วงรับดับขันมรณภาพไปแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกอพบหน้าชาติหน้าเพราะเชือ้อในจิตใจคือกิเลสราคะโทสะโมหะมันมีอยู่ในจิตใจดวงนั้นในจิตใจตรงนั้นก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ล่มลุรอนร อ, อนสูงสูงต่ำต่ำทุกๆุกกยากอยากสุกสุกทุกทุกทกตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่ า, าแต่ละดวงวิญญาณมีแต่เรื่องทกเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปติดยึดในการเป็นอยู่ให้รู้แจ้งเห็นจริงมีแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหะที่สอน ที่สอนอย่างนี้นะอที่สอนให้พวกเราคิดไม่ให้ยึดไม่ให้ติดให้ปล่อยวางแต่คํานี้อคํานี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเราไม่ใช่ว่าเราจะพูดไปเอมีอะไรพูดไปเรื่อยไม่ใช่อันนั้นมันอยู่ในเป็นภาษาใจของตนเองเป็นภาษาใจของเราทุกคนในเมื่อเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วนะเราก็ย้อนเข้ามาหาตัวเอง เออมาสอนตัวเองเท่านั้นนะอันนั้นคือเป็นภาษาของตนเองแต่เว้นเสียแต่เราจะแนะนําคนอื่นใ น, นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้เลยคือทำคําสอนพอเสร็จแล้วพวกเราเข้าใจตามลำทำคาสอนกต่างคนก็ต่างน้อมนํำทำคําสอนของพระพุทธศาสนาน้อมทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเข้ามาสู่จิตใจของตนเอง เราพิจารณาอย่างไงปล่อยวางอย่างไงไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างไง ร, ร่างกายสังขารนี่ถึงจะดูแลเพิ่มเติมว่าสุขสุสข่าเถอะนะอีกสักวันหนึ่งนะแบมือกันทุกคนนะเห็นไม่เห็นเอาไม่เห็นเรื่องอะไรเอาไปได้สักคนแต่จุดนั้นเราต้องทำถูกให้ลูกโลกสมมติแต่ส่วนในใจของเราเนี่ยเราจะเดินเข้าหาโลกวิมติเนี่ย มันอีกส่วนหนึ่งนะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะแยกให้ออกนะถ้าแยกไม่ออกก็จะยุ่งยุ่งเลยล่ะพูดว่ายุ่งถ้าแยกไม่ออกนะถ้าแยกออกแล้วจะเราจะมองเห็นได้อันนี้ท่านพูดแนวแถวปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมคือมันสิ่งที่ไม่ยึดมั่นถือมันปล่อยวางถ้าพูดในเรื่องพระโสดกับเรื่องราวการเป็นอยู่ในพูดเรื่องพระวินัย ก็คือกฎระเบียบเราจะพูดในระดับไหนถ้าพูดในระดับฟินไนหรือพระสูตรหรือพระประมตธรรมอันนี้เราต้องแยกออกให้ออกแต่เราแยกไม่ออกแล้วนะยุ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมทำไมพระพุทธเจ้าท่านให้มันให้ขยันบทที่สุดทำไมให้ปฏิเสธมันถ้าคนถ้าคนไม่ได้ศึกษาในรายละเอียด มันแยกไปออกนะคณะสัาญาติโยมลูกหลานเอาวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายตอนนี้ไปพระ ส, สงฆ์อนุมูลทนาให้พรรับพรนนที่น่นา